พลังสมาธิสมาธิที่มีพลังงานมันมีความสว่างเป็นเครื่องหมายก็เรียนรู้มาแล้วว่าภายในกายของเราเนี่ยมีประสาทสมองเป็นผู้สั่งการเมื่อมันรวมจุดมันก็ไปรวมอยู่ที่สมองก่อนคล้ายๆกับว่าที่สมองมันสว่างภายหลังเมื่อมีกําลังพร้อมถึงจุดที่จะตรัสรู้หรือรู้จริงเห็นจริง มันจะเลื่อนลงมาระหว่างสวงอกหลวงพ่อเกิดอุบัติเหตุรถยนต์สถึงสครั้งพอรถเสียหลักเมื่อไรสมองจะสว่างโพ่งขึ้นมาทันทีคราวที่หนองปลิงเลือดออกในกระเพาะเขาเอาส่งโรงพยาบาลสมองก็สว่างทั้งทงที่หลับตาไปรายทางผ่านอะไรมันมองเห็นหมด